Book 2ูเจ็สิบหาเศรอเพเหตุผลบางประการเนชโตออเบรซโลจิตยดันทำไมคุณไม่มาคะซาชโตเนโดลาซิตะ อากาศแย่มาก v ิเย่เมเย่ทัคโกลดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มากยาเนโดล l ซิมเยร r เย v r i เย e เม่ o ัคโลเช่ทำไมเขาถึงไม่มาคะซาชโ e เนโด o าซิ i อน เขาไม่ได้รับเชิญ On nie p v a n เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ On nedolazi jer nie pozvan. ทำไมคุณไม่มาคะ Za sto n e d o l ดิฉันไม่มีเวลา ฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลาทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะฉันยังต้องทำงานคะ่ะ ยังจะดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะดิฉันเหนื่อยค่ะ อุ่มรดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ ะ, ะ, ะอีเดนาทำไมคุณจะไปแล้วละ่ะคะดึกแล้วค่ะดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ